หาประโยชน์จากกิเลสหลักการที่เราจะลักอะไรอยู่ที่ศีลห้าข้อจิตใจที่มันโลภที่มันโลภปล่อยให้มันโลภไปมันจะขยันทำงานตลอดคืนยันรุ่งตลอดวันยันค่ำช่างมันแต่การกระทำเราไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งทำลงไปเพราะฉะนั้น อย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสโดยถ่ายเดียวเมื่อเราละมันไม่ได้เราต้องหาเอาประโยชน์จากมันเนี่ยหลักการมันอยู่กันที่ตรงนี้กิเลสความโลภเอาไว้กระตุ้นให้มันเกิดทะเยอทยานความทะเยอทยานคือตัณหาทีนี้เราจะน้อมมันไปทางไหนจะให้มันทะเยอทยานไปในทางหาทรัพย์สมบัติหรือให้มันทะเยอทยานไปในทางหาคุณธรรมหรือปล่อยมันไป แล้วเอาสี่ห้าข้อมาตีเส้นขนานเอาไว้ถ้าการประพฤติสิ่งใดไม่กระโดดข้ามเส้นขนาดนี้มันไม่ผิดนี่ต้องเข้าใจให้ดีถ้าเราเข้าใจไม่ดีเราจะไปว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนในสันโดษมักน้อยสอนให้คนขี้เกียจงออมืองอเท้าเนี่ยชาวพุทธเราเข้าใจผิดมาสองพันกว่าปีแล้ว พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราละกิเลสด้วยทายเดียวรอกพระองค์สอนว่าผู้ใดต้องการประโยชน์ในปัจจุบันอุทานสัมปทามันขยันในการทำงานลองคิดดูสิถ้าคนไม่มีกิเลสมันขยันได้อย่างไรเวลากิเลสเราขึ้นมาเนี่ยเตนขึ้นมาแต่เช้าทำงานแต่เช้ามืดวันไหนกิเลสมันไม่ตื่นมันก็นอนสมอยู่นั่น